เทียบทังวัดเลยฉันข้าเมื่อเดียวมันพวกเราเนะี่ยตอนก็นฉันสองเมือ่ <c oughs> อก็เป็นการพัฒนาวัฒนธทรให้พรห ม, มจรรย์เจริญงอกงามชีวิตของเราเนี่ยต้องเป็นพรห ม, มจรรย์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 กใกล้ๆมือเราใกล้ๆตาเราสังขารคือการปรุงวิสังขารการไม่ปรุงการไม่ปรุง ก, ก็คือนิพพานวิสังขารนี่มันก็อยู่ในกุ๊ปเดียวกับนิพพานก็จับปับ๊บพอไปมันก็เข้าข่ายในตองแหวกข่มขดเขี่ยวที่ไหน เอาไปตรงเลยมันเราเดินทางสายตรงไม่ต้องเสียเวลาเราสังขารคือปรุงวิสังขารเคอไม่ปรุงเราก็ทำโดยมือของเราโดยฝี่มือของเราเห็นด้วยตาขอเราเห็นกับตาของตัวเรามันเราทําอะไรที่ทำโดยมือของเรา สร้างบ้านขึ้นตีตาปูด้วยตนเองเมื่อตีแล้วก็ น, นั่งด้วยตนเองมั่นใจว่าตัวเองตีตาปูสามตาปูสี่นั่งได้ห้อยแขนได้ <c oughs> ถ้าตาปูหลุดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีถ้าขณะที่นั่งตีธรรมดาไม่ใช่รับน้าหนักหลังกยกเสา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 มันพาให้ลื้อถอนเป็นสูตรลื้อถอนถอนตนเองออกถอนตนออกให้เหลือแต่ขันรุ่นรุ่นเหลือแต่รูปรุวนรนเหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรุ่นรุ่น <c oughs> ก็เลยได้ใช้ใช้ขันรุ่นรุน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 ยึดทุกอย่างเป็นแต่กิริยาทางานทาการก็เป็นกิริยาหลับนอนเป็นกิริยากิานข้าวเป็นกิริยาอาบน้ำขับถ่ายเป็นกิริยาการพูดการจาก็เป็นกิริยาเป็นกิริยาเฉยๆไม่เป็นกรรมเหนือกรรมนี่ประธนา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 ถึงชนบทถึงเมืองถึงที่อยู่อาศัยถึงอาหารถึงที่เที่ยวที่เล่นตึกไปไม่ไหวตึกถึงพี่ถึงน้องถึพ่อถึงแม่ตึกไปเรีกว่าปราิโคตรปริโคตมันก็โซมันค้่องเ่าไวโซไม่แก่คุณแก่ก็ไม่ได้ไถมันก็ไปไม่หลอ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 ไม่แตจะง่วงเหงาหอนนอนหอบพัดหอบเวียงก็เข้าข้างความรู้สึกตัวไว้อย่าหมดตัวเแล้ไวไว้บ้างเหลือไว้ว่าเข้าข้างความรู้สึกตัวบ้าให้มีความรู้สึกตัวไปแทรกซึมอยู่กับชีวิตทุกอย่างเออวันนิดใส ขอให้เป็นเนิสัยเป็นเปิดใจเพื่อได้บรรลุมรผลในผ่านในอนาคตการเรื่องหน้านี้อย่าเป็ น, นโน้นมันไกลถ้าโน้นหรือมันไกลเอา น, นี้เนี่ยก็ชี้แบบนี้อ้โน้นมันไกลเอาให้มันมีความรู้สึ ก, ก น, นะเหมือนพระอ น, อนุนปฏิบัติธรรมขออีกสงชั่วโมงขอเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงขอเวลาอีก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 จะอะไรไปทำไมอ่ะเอาขึ้นมาทข า, าก็ไม่หายไม่เสียหายหังกหลที่หนึ่งเอาเทปวางไว้เห็นโกงถ้า <c oughs> ใช่แล้วเลยไม่เจ็บมีคนขับรถมามาจอดเดินดูโน่นเดินดูนี่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 ก็จจนแล้วก็จอนไม่มีหลักไี่แหละเรียวว้าเวอะไรอ่าพรหมุก ม, มุนคนคิดไปเช่แล้วแต่เรารู้สืตัวเนี่ยโอ้เป็นเสาเขือนไม่ใช่เสาหลักตะคียนโกลนเสาเขือนที่ม่ความเช่มแข็ง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 หัวหน้าอยู่ไหนหลวงพ่อจะไปพูดกบหัวหน้าลองดูโ อ, โอก็ถางนหนูนจะโทรไปถามหัวหน้าหัวหน้าจะให้ไหเราลองก็โทรไปถามของพ่อของพ่อมาจากไครภูมิเหมือนกนหอือใหทานใชเลยได้ต้นไมใ้ใหญ่มาเอ่อไม้สีต้น